ผลตกที่กรุงเทพตกเยอะไหมผลตกแตดออกอะไรเนี้ยนะมันมีเหตุทั้งสิ้นใช่ไหมไม่ตกลอยๆยมาหรอกอยู่ๆไม่ตกหรอกมันต้องมีเหตุมันถึงตกนะไม่มีเหตุมันก็ไม่ตกสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุทั้งหมดเลยตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งนี่คนเราไม่เข้าใจความจริงตรงนี้ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่ง เราไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นอย่าฝนไม่ตกอยากให้ตกฝนตกอยากให้มันไม่ตกอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่อยากมันเป็นไปเพราะมีปัจจัยปรุงแตง่งนี่ทํำยังไงจะเห็นความจริงได้ธรรมะที่เรื่องปัจจัยเรื่องปัจจัยการเรื่องอะไนี่เรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาทมันเป็นหลักธรรมสําคัญในศาสนาพุทธเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาท สอนว่าเพราะสิ่งนี้มีนะสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราก็ล้วนแต่สะท้อนถึงธรรมะอันนี้ทั้งสิ้นถ้าคนใดภาวนาแล้วเข้าใจปฏิจจสมุปบาทท่านปลายจะได้โสดาท่านปลายก็คือเพราะมีอายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทาน พอมีอุปาทานจึงมีภพแล้วมีภพจึงมีชาติแลาวมีชาติจึงมีทุกข์ถ้าเข้าใจปฏิจจสุบัติท่อนนี้จะได้พระโสดาภะแล้วก็ผู้ใดเข้าใจปฏิสุจจสบุพบาทท่อนแรกท้อนต้นจะเป็นพระอรหันต์รู้ว่าเพราะอวิชามีอยู่นะสังขารจึงมีอยู่เพราะสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่วิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีอยู่ เราก็ต้องค่อยๆเรียนวิธีที่จะเข้าใจปฏิจจสุบัติทั้งสองส่วนได้ก็คือการเจริญสตินั่นเองจเจริญสติปัฏฐานไปเพราะสติปัฏฐานทําให้เกิดปัญญาเบื้องต้นสติปัฏฐานทําให้เกิดสติเบื้องปลายสติปัฏฐานนั้นทําให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจอย่างพวกเราตอนนี้หัดภาวนาพวกเราหลายหลายพันแลนะหลายพันคน เรามีสติจริงๆขึ้นมาเรามีสติเราก็เห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานเราเห็นได้ละพอพวกเราเห็นอย่างนี้มากข้ามากเข้าวพวกเรารู้สึกไหมเราเริ่มเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทที่หลวงพ่อบอกเรารู้เลยว่าเนี่ยตามันกระทบรูปใช่ไหมแน้วใจมันก็ทํางานขึ้นมามันยินดีบ้างมันยินร้ายบ้างยินดีก็อยากได้ยินร้ายก็อยากผลัก จะอยากได้หรืออยากผลักก็คือตัณหาเนี่นยแหละก็คืออยากพอมีตัณหาเนี่ยมีความอยากใดๆเกิดขึ้นสังเกตไหมยิ่งอยากนะถึงกระทั่งอยากอยากไม่เอานะจิตใจก็ยิ่งสนใจในสิ่งนั้นยกตัวอย่างเราเกลียดใครนะเราสนใจคนนั้นมากรู้สึกไหมไม่อยากเจอมันอยากไม่เจอมันลนะงความเราอยากไม่เจอมันยิ่งสนใจนะรักใครมากก็คิดถึงมากเห็นไหมเกลียดใครมากก็คิดถึงมาก ใจิตใจมันไปจดจ่อใส่ไปยึดไปถือไปหยิบไปช่วยเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์เรียกว่าอุปาทานมันเข้าไปยึดไปถือองค์ธรรมของอุปาทานนั้นก็คือโลภะเช่นเดียวกับตัณหานั่นแหละองค์ธรรมมันเดียวกันแต่อุปาทานเนี่ยคือตัณหาซึ่งมีกําลังกล้าตัณหามันแค่ความทยานอยากของจิตเอาวันนี้ไงไม่โชว์ตัวเอาวันนี้คนน้อย ญาติโยมน้อยมันไม่ชอบคลุกคลีนะไม่ชอบคลุกคลีหมู่คณะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีวันวันไม่ยุ่งกับใครแต่เมื่อก่อนมันงกนะอยู่สวนโพ ค, คนมาไม่มากญาติโยมมาเนี่ยมันจะคอยสารวจว่าใครเอาอะไรมาแล้วคากลับมันไปดูอีกว่าเอาอะไรกลับ <c oughs> ถ้ามาหยิบ่วยของวัดไปนะไม่ยอมเนี้ย ช่างมันอย่าไยุ่งกับมันเ้ยเห็นไหมเนี่ยตามมองเห็นหูได้ยินเสียงตามมองเห็นใช่ไหมใจก็วิ่งไปใส่พอใจเรากระโดดเข้าไปจับเนี่ยมีอุปาทานแล้วจับอะไรจับหมาไว้ถ้าตายตอนนี้จะเป็นอะไร <c oughs> มีคำตอบเห็นไหมทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดเลยมีคำตอบในตัวเอง พอใจเราไปจับอารมณ์นะจับไม่จับเฉยๆสังเกตไหมจับแล้วรูปคลําขยําขยี้ด้วยจับแล้วมีการทํางานพอเข้าไปจับแล้วมีการทํางานทางใจขึ้นมาอยากได้ก็พยายามดึงไว้ไม่ชอบก็พยายามดันไว้มองไม่ออกว่าชอบไม่ชอบก็รูปรูปคลำๆอยู่นั่นแะละไปผลักมันนะก็เป็นโทสะไปดึงไว้ก็เป็นโลภะมองไม่ออกว่าจะเอาไงดีก็เป็นโมหะ กิเลสก็แฝงตัวทํางานอยู่ตลอดนะในขณะที่จิตเราปรุงแต่งเรียกว่าจิตมันสร้างภพเคยได้ยินใช่ไหมอุปาทานเราอุปาทานมีอยู่ภพจึงมีอยู่ภพภพไม่จําเป็นว่าต้องเป็นภพใหญ่ๆเกิดเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวอะไรเงี้ยนะเป็นเปรตเป็นอสุรกายในความเป็นจริงแล้วจิตเราสร้างภพอยู่ตลอดเวลาภพตัวนี้ชื่อว่ากรรมภพ ก็มีกรรมอาภพนะคือมีการทำงานทางใจใสังเกตไ้ยพอใจเราทำงานแล้วความรู้สึกเป็นตัวเราก็เกิดขึ้นชาติมันก็เกิดขึ้ น, นจะมีเราผุดขึ้นมาตอนนี้พวกเราที่ภาวนาหลวงพ่อมีใครมองเห็นละวเห็นไหมอยูมีมีความเป็นตัวเราผุดขึ้นมาความเป็นตัวเราไม่ได้มีตลอดเวลาอาศัยการกระทบกันนะระหว่างตากระหูไอ้ตากับอะไรนะตากับรูป หูกับเสียงเป็นคู่คู่ไป ม, มีการกระทบกันแล้วเกิดการทํางานทางใจเวทนาเนะี่ยไม่ใช่การทํางานเวทนาเป็นวิบากเป็นผลที่เกิดขึ้นพอมีเวทนาแล้วเกิดตัณหาแล้วเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นกิเลสเกิดพบพบคือการทํากรรมเกิดชาติคือความเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเกิดทุกข์ขึ้นมาชาติและทุกข์เป็นตัววิบากเป็นตัวผล พวกเราภาวนาเราสังเกตไหมอยู่ๆความเป็นตัวเราก็ผุดขึ้นมาพอรู้ทันก็หายไปไม่มีจริง่ไม่มีจริงคนซึ่งไม่เคยภาวนารู้สึกว่าตัวเรามีจริงจริงมีอย่างแน่นอนตัวเราเดียวนี้กับตัวเราเมื่อเด็กๆเป็นคนเดียวกันแต่เมื่อมหาหัดเจริญสติมากเข้ามากเข้าปัญญามันเกิดมันเห็นเลยความรู้สึกมีตัวมี ต, มตนนะนะัเกิดขึ้นเป็นคลาลเมื่อจิตมันปรุงแต่ง จิตมันทำงานจิตมันสร้างภพมันก็เกิดความรู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมาสังเกตไหมทันทีที่รู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมาความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นทันทีนะจิตจะหนักๆแน่นๆ แ, แข็งๆซึมๆนะไม่มีความสุขไม่มีความสบายจิตเกิดการบีบคั้นขึ้นมานะจิตทีแรกไม่ได้บีบคั้นอะไรทางานไปตามปฏิกิริยาตามธรรมดานะพอกิเลสตัณหาเกิดขึ้น จิตทำกรรมขึ้นมามีตัวเราขึ้นมาความทุกข์ก็ตามมาแต่ถ้าเรามีสตินะเราเห็นจิตมันทำงานตัวเราไม่เกิดความทุกข์ทางใจมันจะไม่เกิดมันจะเหลือแต่ทุกข์ในขันเป็นทุกข์ของตัณหาเนี่ยทุกข์เพราะตัณหาเนี่ยเป็นทุกข์ทางใจเป็นทุกข์ทางใจ งั้ผู้ใดเข้าใจปฏิจจสมบัติท่านปลายจะได้พรผสอดาบันคือจะได้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นจิตมันปลุงขึ้นมาเป็นเคลา้คลาๆตัวเราถาวรจริงๆไม่มีนี่พอได้โสดาแล้วเราเห็นเลยโลกนี้เจอค่อนข้างแบนๆมองโลกแล้วโลกมันจะราบๆแบนๆไม่โดดเด่นฉูดฉาดดึงดูดความสนใจเท่าแต่ก่อน ยิ่งได้สกิทาคานะั้นโลกเหมือนราบไปเลยราบเป็นหน้ากลองนานๆจะมีอะไรฉูดฉาดขึ้นมาดึงดูดใจสักนิดหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นไม่มีสาระอะไรว่างๆไร้สาระไร้แก่นสารภาวนาไปต่อไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งได้เป็นพระอนาคามีเพราะว่าเห็นความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็คือ เห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแต่เดิมเห็นนะทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นพระโสดาบันก่อนจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยเห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตยังเป็นเราอยู่ตอนจะก่อนจะได้โสดาเออกายกายไม่ใช่เราจิตเป็นเราถูกแล้ว <c oughs> พวกเราที่ภาวนารู้สึกไหมกายเริ่มไม่ใช่เราแล้วแต่จิตยังเป็นเราอยู่ นั้นภาวนาไว้ถึงจุดหนึ่งเนะี่ยเราจะเห็นว่าแต่ทั่งจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ยความเป็นเราไม่มีความเป็นเรานั้นเป็นความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเป็นเคล่าวๆตัวเราไม่มีได้โสดาต่อมาเราก็รู้กายรู้ใจอีกถึงมันไม่ใช่ตัวเรานะแต่ว่าอย่างรักอย่างห่วงแหนเพราะอาศัยกายนี้ใจนี้จึงได้สัมผัสกับโลกโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็จริงนะ แต่การที่ได้สัมผัสกับโลกนั้นยังนำความสุขความอริสอร่อยมาให้ยังอริสอร่อยในกามคุณอารมณ์อยู่เพราะมีตาจึงได้เห็นรูปที่สวยเพราะมีหูจึงได้ฟังเสียงที่เพลาะเพราะถูก อ, อกถูกใจเสียงบางอันไม่เพลาะนะแต่ถูกใจเช่นบางคนได้ยินเสียงด่าทันไปเพื่อนเราด่าจำได้เสียงเนี้ยเพื่อนเราด่าด่า เป็นสัตว์เลี้ยงนานาชาตินิดเลออย น, นะฟังแล้วไม่โกรธใช่ไหมฟังแล้วโอ้ดีใจซะอีกนะใช่ไหมได้ยินเสียงเสียงบางอย่างก็เพลาะเราก็ชอบบางอย่างไม่เพลาะนะแต่เนื้อหาสาระที่อยู่เบื้องหลังนั้นถูกใจเราก็ชอบได้เหมือนกันนะ <S <S บางคนถูกด่าทุกวันมีเมียมเมียมด่าทุกวันวันไหนเมียไม่ด่ากลุ้มใจนอนไม่หลับไปเที่ยงความคุ้นเคยเนี่ยเพราะใส่มีตาหูจมูกลิ้นกาย จึงได้สัมผัสความอร็ยอร่อยของโลกเพราะอาศัยว่ามีใจจึงได้คิดถึงความอร็ยอร่อยของโลกมล้วก็เลยรักแล้วหวงแหนแต่พอเราจเจริญสติมากเข้ามากเข้าเราเห็นว่ากายนี้มันเป็นตัวทุกข์นะร่างกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเลยในกายนี้ พอเห็นอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งจิตหนีไปก็รู้นะเดี๋ยวธรรมะของหลวงพ่อก็หนีตามไป ห, หมดแล้ว <laughs> ธรรมะที่หลวงพ่อเทศน์นนะไม่ได้มีสคริปต์นะอยู่ที่คนฟังหรอกไปถึงไหนละชักหายละ <laughs> อา้าวตรวจการบ้านเลยไม่ถึงตอนต้นเลยอ้าวนะพัสการหลวงพ่อเจอ้าค่ะ ตอนนี้วันนี้มีโมหะมากแล้วก็มีโทสะเนื่องจากเมื่อคืนฟุ้งซ่านมากมีความวิตกกงวลเนื่องจากเวทนาเกิดเวทนามากก็ก็เห็นเห็นกิจแล้วมีตัณหาไหมมีเจ้าค่ะตัณหามันดิ้นรนจะจะจะผักมันไม่ไม่ไม่พอใจไม่พอใจผลักมันแล้วเกิดการทํางานทางใจมองเห็นไหมเห็นเจ้าค่ะอ๋อนั่นแหละเรียกว่าพบ รู้สึกไหย ม, มันทํางานทางใจแล้วมันมีตัวเราขึ้นมานั่นเรียกว่าชาติแล้วก็ทุกข์อพอทุกข์แล้วทํายังไงทุกข์แล้วเรารู้สึกค่ําครวญรู้สึกไหมใช่นี่ปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นเลย น, นี่แหละอย่างนี้แหละดูไปอพอพอพอรู้สึกตัวเออไม่ใช่ตัวเรานะพอบีบคั้นพอความความทุกข์รุนแรงก็ดูไปเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็เบาทีนี้ก็พอพอเผอเป็นตัวเราเมื่อไหร่ก็ทุกข์ ทุกมากว่าวันนี้จะมาส่งการบ้านหลวงพ่อไม่ได้ปวดหลังมากเจ้าค่ะนึกว่าจะเดินไม่ไหวก็เลยเห็นจิตที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะดีแล้วมีโทรศันิดๆว่าเห็นไหมเขาทํางานเองเจ้าค่ะเห็นไหมโทรศัสนี่แทรกมากับทุกขเวทนาแทรกเจ้าค่ะเขมีทุกขเวทนาโทรศัจึงมีเห็นไหยสัมพันธ์กันมีเหตุมีผลหมดอะเห็นชัดเลยเจ้าน่ะเนี่ยเราเรียนไปจนเราเห็น เป็นแจ่มแจ้งะะโอ้ตัวเราไม่มีหรอกถ้ามีตัวเราด้วยความยึดถือขึ้นมาด้วยความปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อไหร่นะความทุกข์ก็ตามมาะะใจก็มีปัญญามากขึ้นมากขึ้นไม่เอาตัวเราจริงๆไม่มีหรอกนะแล้วดูไปอีกเห็นไหมกายนี้ทุกข์ล้นล้วนพอมีสติน้ากายจะเป็นทุกข์ล้นลวนให้ดูยกตัวอย่างนะหลวงพ่อเองตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเวลานอนเนี่ยรู้สึกเป็นการเสพสุขรู้สึกไหมนอนนั้นกลิ้งไปกลิ้งมามีความสุขนะ เดี๋ยนี้ไม่เคยรู้สึกว่านอนมีความสุขเลยรู้สึกนอนบรรเทาทุกข์แล้วบรรเทาไม่ได้จริงเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาอีกต้องนอนกลิ้งไปกลิ้งมาพลิกไปพลิกมานะเพราะความทุกข์มันบีบคั้นทั้งคืนเลยดูลงไปนักกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเนี่ยถ้าดูอย่างนี้ได้นะวันหนึ่งใจปิ้งขึ้นมากายนี้ทุกข์ล้วนๆนะจิตไม่ยึดถือกายแล้วพอไม่ยึดถือกายก็ไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนะ จะยึดทำไมมันกระทบลงมาหนะ้ากายนี่มันมีแต่ทุกข์ไม่ใช่ว่ากระทบแล้วมันมีสุขอะไรอย่างตาเราเจ็บนะไหมตาเราเจ็บมากๆอยากให้หมอผ่าเอาลูกตาออกไปเลยไม่อยากดูละสมมติตาเจ็บมากๆไม่ห่วงละ <Okay. S 1> ที่มันห่วงแหนเพราะมันอริยร่อยอยู่แต่ถ้ามันเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆนะไม่เอาแต่อย่าวางพอาวางไปนะั้นได้ผ้าหนักขาละอันนี้ พรพอาคาแล้วนี่ต่อได้แล้วธรรมะตาติดแล้วใจมันจะตั้งมั่นนะเด่นดวงอยู่อย่างนั้นนะทั้งวันทั้งคืนเลยนาน น, านมันจะมองๆสักทีหนึ่งหลายๆวันจะมองๆนะแค่หมองหน่อยๆทาไมหมองเพราะว่ามันสบายหลายๆวันเนี่ยนะใจมันชักเล่าร้อนนิดๆ น, น, นะว่าเอ๊ขีเกียจไปมั้งยังไม่จบการปฏิบัติงานยังไม่เสร็จอย่างเงี้ย ใจมันเริ่มดิ้นรนว่าทํายังไงจะหลุดพ้นพอมันดิ้นขึ้นมานะั้มันหมองๆไปอีก <Okay. S 1> เสร็จแล้วพอเรามีสติรู้ทันแล้วสดใสขึ้นไมาอีอย่างเนี้ยกลับไปกลับมาน ะ, จะเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วจเจริญเนี่ย <Okay. S 1> จิตจะหมุนเวียนอยู่อย่างงั้นเองเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วจเจริญวนไปวนมาเจ <Okay. S 1> ถึงจุดสุดขีดเลยปัญญามันแจ้งนละ้วตัวจิตนี้ตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะ เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเพราะอะไรเพราะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มันเป็นของที่เจริญแล้วก็เสื่อมไปแล้วเป็นของที่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคนไหนถ้าทรงฌานอยู่นะเวลาบรรลุพระอรหันต์จะเห็นทุกข์จะบรรลุด้วยการเห็นทุกข์เห็นจิตเป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นจิตเป็นทุกข์จะไม่วางเพราะอะไรเพราะจิตมีความสุขมากเพราะจิตทรงฌานดั้นทุกคนซึ่งสมาธิมากมากเนี่ย ขั้นสุดท้ายนะจะไปบรรลุด้วยการเห็นจิตเป็นทุกขนะ์พวกปัญญามากมเห็นแค่ว่าเออมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันะทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราเราก็ยอมวางละนี่พวกปัญญามากสุดท้ายนั่นก็คือปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือจิตไปคืนกายคืนจิตให้โลกนะคืนกายคืนจิตให้โลกไปนิโรธมี5้าตัว น, ะนิโรธ ถ้าแปลห ย, ยาบๆก็แปลว่า น, นิพพานถ้าอย่างละเอียดขึ้นมานี่นิโรธไม่ใช่นิพพานทั้งหมดหรอก mm hmm. นิโรธอันหนึ่งนั้นเป็นการข่มไว้ยังมีกิเลสอยู่แล้วข่มกิเลสกิเลสดับไป mm hmm. นิพพานตัวนี้เรียกว่านิโรธตัวนี้เป็นความดับ mm hmm. ดับข่มกิเลสลงไปแล้วกิเลสดับ mm hmm. ด้วยสมถ mm hmm. นะก็เป็นนิโรธชั้นิดหนึ่งนะเรียกปิกขัมมะอะไรนะ วิคัมพนะนิโรเนี่ต้องถามฝ่ายวิชาการเราเดี๋ยวนี้ไม่จำอะไรละถ้าเรามามีสติใช่ไหมพวกเราหลงอยู่กับโลกที่ปรุงแต่งมานานเราเห็นของไม่สวยว่าสวยเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเรียกว่าวิปลาสอยู่เรามาทำวิปัสสนานะแก้วิปลาสแก้ด้วยธรรมะที่ตรงข้ามกัน เคยเห็นว่ามันสวยงามเนี่ยเห็นว่ามันไม่สวยงามล่าความเห็นผิดว่ามันสวยมันงามได้เคยเห็นว่ามันเที่ยงอย่างรู้สึกว่าจิตใจของเราเที่ยงนะจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ก็จิตใจเราเด็กๆคนเดิมมันเที่ยงเห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเห็นด้วยทำที่ตรงข้ามกันนะเคยเห็นว่าจิตใจมีแต่ความสุขลว้นลวนๆเลยนะมีแต่ความสุขลว้นลวนๆนะอันนี้ภูมิของพระนาคาก็จะเห็นว่าไม่ใช่หรอก จิต ใ, ใจไม่ใช่มีความสุขจิต ใ, ใจเป็นทุกข์กายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์เคยเห็นว่ามันเป็นตัวเราทั้งกายทั้งใจนละ้ก็เห็นความจริงว่าไม่มีตัวเราตัวเราปรุงขึ้นมาเป็นกล่าวๆปรุงความรู้สึกเห็นด้วยธรรมะที่ตรงข้ามกันนะเรียกว่าอะไรเรียกว่าตะถังนิโรธฝ่ายวิชาการนึกไม่ออกยัง น, นึกไม่ทันนะตรงที่เกิดอริยมรตกนะ็ตัดสังโยชน์ตัดแล้วตัดเลยเลยเรียกสมุเทเฉนิโรธ ต่อไปก็เรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรช่างมันเถอลืมหมดละผัสใจของพวกเราแข็งนะธรรมะก็หายหมดอีกแล้วฟังธรรมะ ถ, ถ้าจะฟังละเอียดละเอียดต้องใจมีสมาธิสมาธิาธพอถึงจะฟังได้อ่ะว่าไปจบยังครับคืนได้เห็นกระบวนการทํางานของจิตเยอะน่าดี<อ>แล้ว<อ>เห็นไหม<อ>เห็นท่อนปลายไม่เห็นท่อนต้น <L> <S <S ถ้าเห็นท่านต้นนะแล้วก็แจ่มแจ้งก็จะได้เป็นพ ร, าาระอรหันต์ถ้าเห็นแต่ท่านปลายแจ่มแจ้งก็จะได้โสดาตอนนี้ยังไม่แจ่มแจ้งต้องดูอีกดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูไปออกราบค่ะพรคุณแล้วรอบสองนะไปนั่งเก้าอีอ้ซะกราบธรรสการหลวงพ่อเจ้าคะเมื่อวานตลอดบ่ายนี้เห็น จิตมันยิบยิบยิบเกิดดับแล้วมันเหมือนรอสัญญาที่แล้วก็มันก็ผุดแล้วก็หลงไปแล้วพอมันรู้เสร็จมันก็ดับแล้วจิตมันก็ลงพอวังอย่างเงี้ยหาตลอดทั้งบ่าย เ, ออเห็นไหมถ้าไปเพ่งอยู่ไม่เห็นหรอกนึกออกยังหลวงพ่อ ถ, <c oughs> ถึงทั้งโกกทั้งศัพท์เอานะใหม่ใหม่โมโหหลวงพ่อบ้างไหมไม่เจ้าคะเออข อ, อยังช่วหน่อยบางคนไล่เจี้ยบนะโมโหนะเราก็เหนื่อยนะจี้ให้อะ่ะไม่อยากให้มันเสียชาติเกิด จริงแล้วอยากให้หลวงพ่อทุบมากกว่า น, นี้เจ้าค่ะเหลอเนี่ยใจถึงตอนนี้ตับคลองและใช่เจ้าค่ะแต่ตอนที่ได้รับพระจากหลวงพ่อเป็นปลืม้มมีความสุขก็เห็นนะคะแล้วมันก็พอมันเห็นแล้วมันก็หลงไปอีกอแล้วเช้านี้ก็ฟังเทศหลวงพ่อไม่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วเห็นจิตมันยิบยิบยิ บ, ยบตลอด น, น, น, นะคะไม่จําเป็นต้องฟังหลวงพ่อแล้วถ้าหากเราสามารถเห็นสภาวะในขณะนี้นะั้นดูสภาวะไปเลย ส่วนธรรมะอันใดที่หลวงพ่อเทศเนี่ยแล้วมันตรงกับใจเราเนี่ยใจเราจะ alert ขึ้นมาแล้วไปรู้เองนั้นเวลาฟังธรรมะนะฟังได้หลายแบบฟังแบบปริยัติก็ฟังให้รู้เรื่องฟังไปคิดไปถ้าฟังแบบปฏิบัตินะคือไม่ฟังหรอกดูกายดูใจของเราไปได้วยเมื่อไหร่ธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอ น, นมันตรงกับสภาวะที่เรากําลังขัดข้องอยูย่มันจะปิ๊งขึ้นมาเลยเราปิ๊งเนี่ยจะชัดเจนยิ่งกว่าคนทั่วๆไปฟังอีก มันไม่ได้ปิ้งขึ้นมาด้วยการคิดละแต่มันปิ้งด้วยการเข้าไปประจักษะนั้นเวลาครูบาอาจารย์วัดปาท่านเทศให้ฟังนะคือมานั่งจดนี่ถูกด่านะท่านให้ภาวนาไปเลยเปื่อจะได้บรรลุมรรคผลกันตอนฟังเทศมีนะมีคนบรรลุตอนฟังธรรมมีแต่ที่ไหนไม่บอกเราก็เป็นใครไม่บอกนะใครรู้ไหมราษารีบุตรไง ไปฟังธรรมที่ถ้ำสุกราขาตาฟังพระพุทธเจ้าเทศใช่ไหมจิรัตเราหักหมุมให้จีรัฐนึกไม่ถึงส่ฝึกไปนะฝึกไปอย่าไปเพ่งให้นิ่งเพ่งให้นิ่งไม่เกิดปัญญานมรมาการของพ่อเจ้าค่ะรู้สึกไหมที่ลูกเขาให้มาใจเราไม่เหมือนเดิมแล้ว ไม่เหมือนเดิมเลยเจ้าค่ะเมื่อวานนี้นรู้สึกพอใจมากเลยค่ะแล้วก็มีความสุขอืยังยังไม่สามารถที่จะพูดถึงเรื่องวิชาการได้แต่ว่าตัวเองมีความรู้สึกว่ามีความสุขนล้วพอพอขําเนี่ยก็กลับไปคิดถึงเรื่องเก่าที่ก่อนจะมาอีกก็ ก็เอ๊ะจะทำไงดีแล้วก็เลยมานั่งภาวนาใหม่มค่ะก็ดูไปนะจิตมันจะคิดเราก็ห้ามมันไม่ได้ะนะเห็นไหมจิตมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ความสุขก็ลดลงนะนี่ของไม่เที่ยงนะต่อไปนี้ดูไปทุกอย่างไม่เที่ยงดูไปดูเห็นของจริงอย่าไปคิดเอานะว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงต้องเห็นจริงๆอย่างความสุขเกิดขึ้นมาเนี่ยความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วความสุขก็าหายไป ความทุกข์เกิดขึ้นมาความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วความทุกข์ก็หายไปยมกลับบ้านไปดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆวิชาการไม่สําคัญนะสําคัญที่ว่าเราพ้นทุกข์ได้จริงๆค่ะกลาบขอบพระคุณจ้ะค่ะกลับนวัสการหลวงพ่อครับคือใจตอนนี้ก็มม่ๆแล้วก็มีบางช่วงก็ไม่พอใจก็มีความโกรธขึ้นมา อ, มอยากอยากให้ดีครับ ไ, ไมไม่พอใจก็รู้ไปนะ เห็นไหมมันทํางานของมันเองดูไปอ่วันนี้กลุ่มจะแย่แล้วนวัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่าโลง่งลงกว่าเมื่อวานนะคะแต่พอเวลาไพอไมาย <laughs> พอมายเข้ามาถึงมนันก็เริ่มแบบ ต, ตื้อขึ้นมา อ, อ, อีกครั้งห น, ะะนึน่งค่ะหนวงพ่อค่ะขออนุ ญ, ญาตนะครัมนมลไม่ได้ส่งกันบ้านมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะจะกลับเรียนหลวงพ่อว่า เว่าไปพ่าหมุนนี้มนุ์ไม่ค่อยได้ทําอะไรอะค่ะหลวงพ่อมนุ์จะถามว่ามันยังอยู่ในร่องในรอยอยู่ใจมันอ่อนกําลังไปอ่อนได้สิไม่มีแรงรู้สึกไหมนา น, นานไปมันใจป้อแปะป้อแปะนะถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยบรรลุมรผลไม่ได้เพราะไอ้เหลืองก็ไม่ทําอะไรเลยไม่ไมบรรลุจงใจทําแล้วก็เค้นตัวเองบังคับตัวเองจะบรรลุไหมก็ไม่บรรลุเพราะพวกที่ทรมานตัวเองก็ไม่บรรลุนะ หน้าที่เราก็สังเกตใจใจเราไม่มีแรงนะคุณมนก็เร้าความรู้สึกหน่อยคึกคักไว้คึกคักไว้คือโทษก่อนหน้านี้มนรู้สึกมันไปประคองไปเพ่งไปอะไรตลอดใช่ไหมคะเมื่อตอนนี้ให้รู้ไปว่าใจมันเหนื่อยใจมันเหนื่อยเหนื่อยให้รู้ทันเป็นเป็นเพราะขาดการการทำใช่ไหมใช่ขาดการทำในรูปแบบขอบพระคุณต้องทํานะการทําในรูปแบบจําเป็นมันเป็นเพราะมนไม่ค่อยส่งกันบ้านเลยมนก็เลยมันเออเราเดยไป ภาวนาเนี่ยนะถ้าเราเหยื่อไปถ้า่วยบางทีส่งบ่อยก็เกรงใจค่ะหลวงพ่อไม่ต้องส่งบ่อยสินะถึงคราวสมควรส่งก็ส่งบางคนไม่มีอะไรจะส่งก็อยากส่งอีกนะเนี่ยอย่างงั้นม <า S 1> ไม่ดีเดี๋ยวนี้มันมาทิศละวันเดียวเองค่ะแต่คนก็ไม่ค่อยกล้าส่งเท่าไหร่ต่อไปเชิญอะคุณนร น, นขยับมืออะแถวที่สามไม่มีใครยกมือแค่ขยับมือก็เรียกแล้วธพวสการครับ ก็ตอนนี้จิตมันเหมือนไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่ครับมันดูแบบมยนอ่อนนอมไปอรับมันลอยๆถูกต้องครับมันมีโมหานิดหนึ่งมันฟุ้งซ่านมันแต่ฟุ้งฟุ้งนิ่มๆครับนะก็มีมีสภาวะที่เมื่อวานนะครับคือพอดีนั่งคุยกับเหมือนกับคุยคุยอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับแล้วคุยกับเหมือนมันแชทกระสาวอย่เงี้ยครับแล้วแบบตอนคุยคุยอยู่มันก็เลย เผลอไปแล้วอยู่สักพักนึงมันมันเหมือนมันเห็นภาพเหมือนเป็นภาพตัวเราครับมันขึ้นมาเหมือนกับเฮ้ยมันนิ่งๆนี่คือภาพลักษณ์ของเรานะที่เราจะต้องแสดงออกให้เขาอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเห็นตัวตนของตัวเราอยเ้ยเราเห็นเห็นรูปได้แล้วเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายแล้วเราก็เห็นด้วยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะเป็นสิ่งซึ่งจิตไปรู้เข้าแล้วแยกกัน ดีนะแชทกับสาวแล้วทาได้อย่างนี้มันเหมือนเป็นภาพลางๆขึ้นมาเป็นรูปขึ้ น, ะนะนมาเราสร้างขึ้นมาเราปรุงขึ้นมาอันนั้นทําไมเป็นภาพลางๆขึ้นในใจรู้ไหมอันนั้นเป็นรูปชนิดหนึ่งนะชื่อว่าวิญนยติรูปนะรูปชนิดนี้รู้ด้วยใจแต่ถ้ารูปอย่างมหาภูต ร, รูปชนิดเป็นธาตุดินอนะไรเงี้ยรู้ด้วยการสัมผัส งั้นอย่างบางคนอาบน้ําอยู่นะอาบน้ําอยู่ทูสบู่แล้วรู้สึกวับขึ้นมาไว้ตัวนี้มันไม่ใช่เราแล้วเป็นท่อนๆ อ, อะไรอันนี้รู้ธาตุดินนี่ของคุณนั่งแช่นั่งคียอะไรอยู่เนี่ยเห็นรูปมันเคลื่อนไหวขึ้นมามันเป็นรูปทางใจครับรูปที่รู้ด้วยใจครับตัวนี้เรียกวินยัตติรูปใช่ไหมรูปมีหลายชนิดนะใช่รูปมีทั้งหมด28ชนิดนะแต่เราไม่ต้องรู้ทั้ง28่สิบ ก็คือตอนนี้ผมทําในรูปแบบอยู่ครับก็แบบจะสวดมนต์เดินจงกรมบ้างครับก็ก็ถ้าทําไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้นะแต่ตอนเนี้ยเกินจริงรู้สึกไหมตื่นเต้ น, นเลยไปกดไว้นะครับของคุณเนี้ยเกิดกดเก่งนะไม่ได้กดลงไปลึกๆหรอกแต่ก็ว่าอัดไว้ข้างๆประคองไว้ประคองไว้ก็ ร, รู้ไปใช่หให้รู้ไปนะ ร, รู้ไปจิตหลงไปคิดแล้วทราบไหมครับ ใช้ได้นะเล่นเด่นไม่ไปเล่นกับพวกอาจารย์สุรวัต์ล่ะเม่อดียไปคุยกับสาวเสียเวลาอ้าวนนี้ไม่มีใครยอมยกมือเลยวันนี้อากาศเย็นตื่นเต้นครับแล้วก็มีโมหะอยู่บ้างที่ผ่านมาหลงบ่อยแล้วก็มีหลงถีบ้างครับอย่าประคองนะครับใจไม่เป็นกลางโอเคใช้ได้ส่งไปข้างหลังไปอ้าวจอย Ừ, ใจป้อแป้ดูออกไหมมันฟุงฟ้งซ่านมันฟุ้งซ่านด้วยเออฟุ้งซ่านรู้ไปนะรู้สึกไหมมันห่อเหี่ยวมันป้อแป้ใจฟุงนะ้งซ่านแล้วไม่ได้ฟุ้งซ่านอย่างเดียวมีโทสะด้วยจิตใจที่ห่อเหี่ยวนะั้นมีโทสะนะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมามันเหมือนกับมันเห็นมันไม่ได้เห็นมานานรู้สึกไหมมีหมูกระดาษแนละ้วสร้างขึ้นมาแนละ้วเอาไหม่เอาไหม่ยังมีอยู่นะยังไม่หมด ยังปลุงไม่เลิ ก, นนกยังดูออกใช่ไหม ด, ออดูออกแล้วใช้ได้ละเอาไปคุณหนุ่มส่งกันบ้านไม่มีใครยกมือวันนี้ต้องเรียกเอาเองอ่ะก็ช่วงที่ผ่านมาสามเดือนก็มีเรื่องราวเยอะแยะวุ่นวายมีปัญหาเยอะอืแต่ก็รู้สึกว่าดีที่ได้ปฏิบัติธรรมมาคือมีความทุกน้อยอนะครับคุณหนุ่มดูนิดหน้าใจมันไม่ถึงฐานหรอก ใจมันไม่ตั้งมั่นแจมอยู่นอกๆนะไปสังเกตตัวเนี้ยครับถ้าตรับใดที่ใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยอริยมรรคจะไม่เกิดครับไปค่อยดูออกนะว่าไปวุ่นวายแล้วอึอ่นเน่ยใจมันอยู่นอกๆคือความสนใจเราไปอยู่ข้างนอกนานใจเลยค้างอยู่ข้างนอกเลยไม่ยอมกลับบ้านครับก็แต่บางส่วนที่เริ่มเข้าใจมากขึ้นคือตอน ช่วงหลังก็ที่หลวงพ่อเคยพูดนานว่าประดัิธรรมะก็ไม่ได้เรื่องยากก็คือพอตอนนี้เข้าใจคือเป็นอะไรก็ได้มันก็เลยจะสบายขึ้นเยอะใช่อะไรก็ได้นะเพราะทุกอย่างสแสดงไตรลักษณ์เท่าๆกันอคุณแต้มนี่มีโมหะค่ะหลวงพ่อแม่มาไหมวันนี้ไม่ได้มาค่ะจิตมีโมหะรูทันจิตไม่ตั้งมั่นดรกไหมค่ะแต่ตอนนี้มันอยู่นอกๆรู้สึกหม มันไม่ทวนเข้ามาให้รู้ทันน ะ, ะรู้ทันคุณจะทําสมถะมากขึ้นไหมคะจิตมีกําลังแล้วนะจิตมีกําลังแต่ไม่ตั้งมัน่นมีแรงแต่ไปไปอยู่ข้างนอก ร, รู้สึกมัต้ย้อนมาดูให้รู้ทันว่ามันออกนอกไปให้รู้ทันนะมันเข้ามาเองเข้ามาเองอ่ะคุณผู้หญิงนั้นผมยาวๆหน่อยงานมรดการหลวงพ่อคะ่ะเพิ่งมาครั้งแรกคะ่ะแล้วก็เพิ่งได้ปฏิบัติ ฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อสัประบานเดือนพฤษภาเป็นครั้งแรกเหมือนกันซึ่งช่วงนั้นมีเพื่อนที่เป็นกาลยานมิตรเอาซีดีมาให้ค่ะหลังจากฟังก็ช่วยชีวิตหนูไว้ได้เพราะหนูจมอยู่กับความทุกข์นานมากถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายหลายรอบนะคะแต่วฟรู้สึกแล้วไม่ตายแล้วไม่ตายแล<ะ>้วแล้วก็ปพยายามฝึกตามดูกายดูจิตตามที่เข้าใจนะคะตามที่ฟังในซีดีรู้สึกในช่วงแรกๆตัวเองเปลี่ยนไปอะคะ่ะ ม, มันมีชีวิตชีวามันเปลี่ยนนะรู้สึกเราเปลี่ยนใช่ไหมคนรอบๆข้างก็รู้สึกนะค่ะเราเปลี่ยนแล้วของคุณจิตมันเปลี่ยนแล้วที่คุณตื่นแล้วเมื่อมันตื่นแล้วหน้าที่ของเราก็คือรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆอย่าหวังผลนะรู้ไปเรื่อยๆแต่ก็คอยสังเกตบางทีรู้ไปนานๆเนี่ยใจไม่ตั้งมั่นใจของคุณตอนนี้ตั้งมั่นดีนะถ้าไม่ตั้งมั่นมันเหมือนโปร่งๆงสบายแล้วเพลินๆอยู่ข้างนอกๆอะ่ะ ถ้ามันไปอยู่นอกๆนี่ให้รู้ทันเลยว่าใจไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานให้รู้ทันนะมันจะเข้ามานี่มีคําถามสองข้อเจ้าค่ะข้อแรกคือพอมาพิจารณาตัวเองแล้วรู้สึกว่ามีทั้งตัณหาจริตทิฏฐิจริตมีครบหมดเลยค่ะแล้วเราอยู่ในระดับเยอะด้วยทีนี้พอมันตามรู้มันไม่ทันมันเหนื่อยอะค่ะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องตามจริงๆแล้วจริตเหมาะกับการแต่ละคนนะจริตผสมผสาน ไม่ได้จริตอันเดียวล้นล้วนหรอกเพราะงั้นตอนไหนอะไรเด่นเนี่ยอ๋อนั่นแหละค่ะแล้วก็เรื่องที่สองในช่วงที่ตามดูไม่ว่าจะเป็นฝึกแบบสมถะหรือวิปัสสนาคือเมื่อก่อนหนูฝึกสมถะมาบ้างแต่ฝึกแบบแบบมีข้อกังขาค่ะว่าทําไปแล้วได้อะไรทําแล้วมันสงบแล้วมันยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, อะพอมาฝึกแล้วช่วงช่วงหลังๆตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาสองสมเดือนอมันเหมือนกับ มีเสียงภาคอะค่ะมันมีบทภาคมันเหมือนสคริปต์มันเหมือนคอยตามเขียนบทคอ ย, ยตามเขียนซับไตเต<อ>ิลตลอดเลยหลวงพ่อลืมดูนาฬิกานะเดี๋ยวเอาไม้วางไว้ที่เดิมน้านแล้วมาส่งต่ อ, อนิมนต์ท่านอาจารย์ก็เดี๋ยวพระอดข้าวลืมไปมันมืดไม่สว่างซะที